สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่20ข้อ1 3ถึง18ครับสุภาษิตบทที่ 20, ิบข้อบถึง1ิโปรดฟังพระชนะของพระเจ้ายารักการนอนเกรงว่าเจ้าจะยากจนจงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มผู้ซื้ พูดว่าของไม่ดีของไม่ดีแต่เมื่อเขาไปแล้วเขาจึงอวดมีทองคำและมีทับทิมมากมายแต่ปากที่มีความรู้ก็เป็นของล้ำค่ายิ่งจงริบเสื้อผ้าของผู้ที่ค้ำประกันให้คนอื่นและจงยึดมันไว้เมื่อเขาประกันให้คนต่างดาวอาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ได้มาแต่ภายหลัง ปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวดทายแผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยคําแนะนําจงทําสงครามโดยมีการชี้แนะพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นในข้อ13ครับข้อ13บอกว่าอย่ารักการนอนเกรงว่าเจ้าจะยากจนจงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มอันนี้เป็นคําเตือนในเรื่องของความเกียจคร้านครับ พีน่นครับความเกียด้านั่งในในพระธรรมสุภาษิตก็ได้พูดอย่างมากมายครับว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตจะเป็นบ่อกเกิดของความยากจนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตนั้นผิดหวังเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะไม่พบอะไรเลยเพราะว่าเขาขี้เกียจแม้แต่จะชักมือออกจากชามแล้วตักข้าวกิน เพราะฉะนั้นความเกียดค้านั้นเป็นศัตรูของความสําเร็จความเกียรติค้านั้นเป็นศัตรูของการอยู่ดีกินดีความเกียรติค้านั้นเป็นศัตรูของการที่เราจะได้มาซึ่งของที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งครับความเกียดค้านั้นถูกพูดในลักษณะต่างๆในข้อนี้ถูกพูดในลักษณะของการงีบหลับซึ่งจะนําไปสู่ความยากจน ในขณะที่ความขยันขันแข็งอยู่ฝ่ายตรงข้ามครับการขยันขันแข็งคือการตื่นตัวการตื่นอยู่ไม่ง่วงไม่หลับจะนำไปสู่ความมั่งคั่งบริบูรณ์ครับการนอนหลับในยามที่ควรจะทางานก็จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนเช่นเดียวกันครับการทำผิดที่ผิดทางผิดเวลานะครับก็จะไม่ค่อยสาเร็จครับข้อสิบสี ข้อสิ่กล่าวว่าผู้ซื้อพูดว่าของไม่ดีของไม่ดีแต่เมื่อเขาไปแล้วเขาจึงอวดหมายความว่าเวลาที่คนเราจะต่อรองราคาครับคนซื้อหรือผู้ซื้อมักจะต่อรองราคามักจะตําหนิสินค้าเพื่อการต่อรองให้สินค้าราคาถูกแต่ในใจของเขารู้ว่าสินค้านี้ใช้ได้ดีพอสมควรแต่เขาก็ สร้างข้อตำหนิข้อเสียขึ้นมาเพื่อที่จะต่อรองครับก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบอีกอย่างหนึ่งเป็นความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็ไปคุยว่าสิ่งที่เขาซื้อมานั้นดีโอ้อวดครับโอ้อวดถึงความดีของสินค้าที่ตนเองซื้อมานั่นหมายความว่ากำลังบอกว่าตัวเองฉลาดซื้อของดีราคาถูกพี่น้องครับของดีราคาถูก ใช่ว่าจะมีในโลกเสมอไปในขณะเดียวกันครับสุภาษิตข้อนี้ก็เตือนให้ผู้ขายใครที่เป็นผู้ขายสินค้านะครับก็ต้องพึงระวังลักษณะการต่อรองแบบนี้เพราะว่าเป็นการต่อรองที่ไม่จริงใจครับเป็นการต่อรองที่เอารัดเอาเปรียบของลูกค้าการทําธุรกิจแบบพระเจ้านะครับต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรงซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันถือว่าเป็นการแลกแลกเปลี่ยนครับซื้อขายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมข้อต่อไปครับข้อ15ข้อ15กล่าวว่ามีทองคําและมีทับทิมมากมายแต่ปากที่มีความรู้ก็เป็นของล้าค่ายิ่งข้อ15้นั้นทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของคนที่มีสติปัญญา มีคุณค่ามากกว่าทองคํำและทับทิมมากมายครับจริงอยู่ครับทองคํำและทับทิมจะเป็นสิ่งหายากและมีคุณค่าสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ ก, บการเสาะหาคนที่พูดจาดีประกอบด้วยสติปัญญามีความรอบรู้นั้นเทียบกันไม่ได้ครับเพราะหายากกว่าทองคํำและทับทิมหาง่ายครับแต่คนที่จะพูดดีนะครับทําดีรอบรู้มีสติปัญญา ถูกกาลเทศะพูดถูกใจคนทําถูกใจคนนั้นหายากมากนะครับเราจะต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ส่งคนที่มาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์นั้นที่จะเป็นคนดีคนที่มีสติปัญญาคนที่มีคำพูดกับใจตรงกันคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความอ่อนน้อมคนที่มีความถ่อมใจข้อต่อไปครับ จงริบเสื้อผ้าของผู้ที่ค้ำประกันให้คนอื่นและจงยึดมัน่นยึดมั่นไว้เมื่อเขาประกันให้คนต่างดาวอันนี้พูดถึงเรื่องของระบบการประกันครับพี่น้องครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ถูกสั่งให้ยึดเสื้อคุมของคนที่เป็นคนค้ำประกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีสิทธิ์ครับที่คนค้ำประกันจะไม่สามารถค้ำประกันลูกหนี้ ต่อไปได้นั่นหมายความว่าคือระบบคนกลางนั่นเองครับทีนี้หากว่าคนแปลกหน้าหรือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ดื้อดึงนะเอาแต่ใจตัวเองถ้าคนค้ำประกันนะครับรับคนแบบนี้แล้วคุณไปคุณไปค้ำประกันเขานั่นแหละครับมีโอกาสสูงครับที่คุณจะต้องถูกยึดเชื้อคลุม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโอกาสที่ลูกหนี้นะครับจะไม่ชําระหนี้หรือที่เรียก ว, ว่าหนี้สูงนั้นเป็นไปได้สูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วพระกัมภีร์สอนนะครับอย่าเป็นคนค้าประกันคนอื่นครับเพราะอะไรครับมีโอกาสที่คุณจะรับผิดชอบหนี้ที่เขาหนีครับต่อไปครับข้อ17 ข้อ17นั้นก็พูดถึงเรื่องของการได้มาซึ่งอาหารที่ทุจริตพูดง่ายๆว่าถ้าเราได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตก็เปรียบเส ม, มือนกับเป็นอาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงแรกๆครับจะมีรสหวานแต่ต่อมาภายหลังจะกลายเป็นเหมือนกับกรวดทรายนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรสขมก็กล่าวได้ นั่นหมายความว่ารสชาติของอาหารที่ได้มาอย่างผิดวิธีไม่ถูกต้องชอบทำไม่สุจริตนะครับอาจจะมาจากร้านนะครับหรืออาจจะอร่อยในครั้งแรกแต่ต่อมาครับมันจะหมดรสชาติเหมือนกับรับประทานกวดทรายนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังกล่าวถึงความขัดแยง้งของการทําบาปกับความสุขชั่วคราวครับมีความบาปหลายอย่างครับเป็นความสุขชั่วคราว เช่นความผิดบาปทางเพศแต่ก่อเกิดปัญหาสืบเนื่องต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นผลสืบเนื่องยาวนานมากนี่เราจะต้องระวังครับอย่าไปผูกพันอยู่กับความผิดบาปเช่นนี้จงถอนตัวออกเสียเพราะว่าความลุกแก่ความอยากความได้ความใคร่นะครับซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวจะทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่า ล่มจมครับข้อสุดท้ายในวันนี้คือข้อ18เพราะจะนาของพระเจ้าบอกว่าแผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยคำแนะนำจงทําสงครามโดยมีการชี้แนะพิรุครับในชีวิตของเรานั้นต้องการคำตักเตือนคำชี้แนะคำปรึกษาครับการที่เราได้รับคำแนะนำคำชี้แนะคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งคำตาหนิ ซึ่งต้องถือว่าเป็นคำชี้แนะเหมือนกันจากคนอื่นในการวางแผนในการดาเนินชีวิตนั้นมีความสำคัญอย่างมากพี่น้องลองนึกดูครับว่าในข้างๆรอบตัวเรานี้มีใครที่สามารถชี้แนะเราได้มีใครที่สามารถเตือนเราได้มีใครที่สามารถตําหนิได้มีใครที่สามารถวิพากวิจารเราได้นั่นแหละครับคือคาปรึกษาที่ดี การได้รับคำปรึกษาที่ดีในการทางานในการดาเนินชีวิตในการที่เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตต่างๆในชีวิตนั้นจำเป็นครับในสงครามใหญ่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษามีเสนาธิการมีนักวางแผนมีผู้ที่จะดำเนินให้แผนการสาเร็จและมีวิธีการที่เรียกว่ายุทธวิธีด้วยเหตุ น, นี้เองทำให้ชีวิตของพวกเราจะมั่นคงอยู่ได้ เมื่อเรามีที่ปรึกษามากๆและเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ ด, ดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอาเมน